เทศอบรมพระวันที่สี่สิงหาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีมากเข้มข้นมากเทศเน้นหนักในทุกคเวทนาและโลภโกรธหลงในความเป็นโทษหนักถึงใจตลอดกันพูดทเรื่องของกิเลสพาคนให้เป็นยักษ์เป็นผี กันนี้ใครๆฟังได้อัดได้หน้าบีพูดธรรมปริยายและพูดเรื่องท่านอาจารย์มั่นนิพานอาจารย์ขาวอาจารย์พรมหมหลวงพ่อบัวน้องแสงด้วยเต็มมวนทั้งหน้าเอและหน้าบีตอนนี้ควร ดุดากูเข็นขับไล่แ้่เราจะชมเชยส้นเสิญผู้ที่ควรแก่การชมเชยสรรเสิเญอย่างอื่นเราเป็นไปไม่ไน่ายแน่นั่นฟังที่พุทธกฏก็ดีนี่แหละพุทธกฏเรายกเปะะ็นคำปราวรัยมเราไม่ได้วันอะไรเลยเรากราบทำเราตถาคตกราบทาเท่านั้นเันอังดิ ทำเป็นสิ่งที่เลื่โลกทำเป็นสิ่งที่เหนือโลกเรากระทำเท่านั้นเราถือทำเป็นจิตใจนะครับปฏิบัติบําเพา็ญทำเรารู้เราก็รู้ทางเราจึงเคารพทำนี่นะพุทธพจน์เราได้อ่านดูแล้วรู้สึกมันเข้ยายใจแล้วสิ ันผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงมีความหนักแน่นในธรรมจิตใจให้หมุนเข้าสู่ธรรมหยาดอยู่เสมออย่าให้กระแสะของโลกทั้งหลายที่เป็นกิเลสนั้นะเข้ามาเหยียบย่ำทําลายยุแยกรกวนจิตใจซึ่งนันแล้วเป็นตั้งแต่เป็นกระแสะของกิเลสทั้งนั้นยาให้เข้ามาดุเดยอก่อกวน พัดผจิตใจที่เรากำลังประครับประคองรักษาอยู่ด้วยความเพียรของเราถึขนาดที่อราเป็นเราตายอยู่แล้วเพื่อทำทั้งหลายเราจงเห็นโทษอยู่เสมอยาชินชาต่อสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายทำความเข้าใจกันอยู่เสมอจึงจะสมนามว่าผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความมีสติเรื่องความมีสตินี่คือควา ม, มรู้ สิ่งที่เป็นภัยเป็นคุณอยู่กับตัวเสั้หอไปอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคุณต้องรู้ต่อ ง, องมัดระวังต้องกําจัดสิ่งที่ควรกําจัดพยายามส่งเสริมรักษาหรือบำรุงสิ่งที่ควรบํารุงคือใจของเร า, าได้เป็นสมบัติสองเจ้าของนี่เคยพูดแล้วเคยเขียนในหนังสือก็เคยเขียน เหตุกิเลสนั่นนะครองใจมาเป็นเวลานานเราเองไม่อาจสามารถที่จะนับอ่านเรื่องพบชาติเกิดแก่จิตตายในภพน้อยภพใหญ่กำเนิดต่างๆได้จนกระทั่งบัดนี้ว่าเป็นมานานเท่าไหร่มี่ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัญหาอาสวะพาให้เกิดให้ตายใ ห, ให้ทุกข์ให้ลําบากจึง้วนแล้ตั้งแต่เป็นตัวภยัยทั้งนั้นไม่ว่าจะกําเนิดเกิดในภพใดความความทุกข์ต้องมีอยู่ในทุก พบทุกขาไม่มากก็น้อยเพราะความเกิดกับความตายมันเป็นคู่กันความเกิดกับความทุกข์มันจึงมาด้วยกันดูข้างนาฏิอาชาตัสัทุกข์จะไม่มีเฉพาะคู้ไม่เกิดเท่านั้น น, นเป็นสิ่งที่ลบล้างและไม่ย่างไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มาเป็นเช่นนั้นทุกข์เพราะอะไร ก็ทุกข์เพราะความเกิดความเกิดมีสาเหตุมีกําหนดมาจากไหนมีกำเนิดมาจากอวิชชาตัวลุ่มหลงสําคัญอยู่ภายในจิตฝังลึกจน จ, นจิตกับเยเล็กประเภทที่ให้เป็นเชื้อสาเหตุที่ให้เกิดนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถที่จะทราบได้อย่างง่ายได้เลยจึงต้องใช้ความพยายามเอาให้เป็นที่เต็มฐานเต็มเม็ดเต็เมตหนดเป็นก็เป็นตายก็าตายถึงข่าวเร่งต้งเร่งถึงข่าวหนัก ต้องหนักถึงข้าคู่ต้องสู่อถึงข้าวรถย่อนผ่อนผันมันหักมีมันหันหรู้ในตัวเองนั่นแหละอยากเข้าใจจะเข้าใจว่าการรถย่อน่อนผันเป็นการคลี่คลายเป็นการผ่อนตัวโดยความคิดเเฉยๆทั้งๆ ท, ที่เหตุผลหรือจังหวะไม่อำนวยอันนี้ก็เถอดตัวได้เหมือนกันผู้ปฏิบัติจะทราบตัวเอง มีวความพับผ่อนมีความคลี่คลายมนนีความถูกความสบาบ้างในการประกอบความพากเพียงด้วยความเหน็ดหนื่อยความพักของผิดก็คือเข้าสู่ความสงบเย็นใจนั่นมีเวลาออกรบกับก้บกาศิก ด, ด้วยสติปัญญาก็ต้องหมุนให้เต็มที่เต็มฐานยากจะได้อะไรความทุก ให้ถือเป็นตัจัดรำอย่าถือเป็นเรานี่เป็นหลักความจริงเป็นหลักธรรมความถูกต้องทุกที่เกิดขึ้นภายในกายเป็นสำคัญที่เห็นได้อย่างเด่นๆอั น, นทุกข์ขึ้นที่จะเกิดขึ้นภายใน จ, ใจิตใจย่อมรับช่วงออกไปจากกายนี้เข้าไปเพิ่มภายใน จ, ใจิตใจนี่ตัวกัน ทุกข์ที่ผลิดกิเลส ข, ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจโดยร่างกายไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บอะไรเบยียบเบีอนมานั่นเป็นทุกข์เพราะกิเลสร้วมล้วนทุกข์เพราะธาตุขันอันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดกิเลส ข, ขึ้นมาคือคาการเจ็บข้ไดป่วยหรือการนั่งนานเจ็บนั้นปวดนี้จิตจะต้องมีความสายแส่มีความคิดตุงต่างๆ เ่วนมากเกาเป็นเรื่องของจิตเลยให้เรายืดเราถือเลยกลายเป็นว่าทุกในร่างกายทั้งหมดนี่เป็นเราและกายทั้งหมดก็เป็นเราถ้าเราเป็นทุกกายเป็นทุกกายเราเป็นทุกหรือเรากับกายเป็นอันเดียวกันทุกกับเราทางกายเป็นอันเดียวกันก็จะกลายถึงนว่าเราเป็นทุกเมื่อเราถือว่าเราเป็นทุกแล้วก็จะมีความรักความสงวนในตัวเองไม่อยากให้เป็นทุก ความไม่อยากให้เป็นทุกข์ก็เป็นยีพาะาตันหาเลยหาความกินไม่ได้เพราะไม่มีทางที่จะพ้นคว้าหาความกินตามหลักความกินที่ว่าทุกข์นั้นคือความกินล่วงล้ว น, วนตามหลักศาสนาธรรมผู้ปฏิบัติถ้าได้เห็นความทุกข์เป็นความกินล่วงล้ว น, วนประจักษ์กับจิตใจแล้วทุกข์จะเกิดมากน้อยเพียงไรก็าตามจะไม่สามารถเสี่ยวย่ทำทําลายจิตใจหรือทําจิตใจให้เองเดียงได้เลย นี่เคยปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่มาคุยให้เพื่อนฝูงฟังเฉยๆเราได้ปฏิบัติมาแล้วประจักใจเรืงสากล้าพูดให้หมู่เพื่อนฟังโดยไม่ต้องพูดถึงว่าการโอ้อวดไม่โอ้อวดเราพูดตามหลักความจริงสอนหมู่เพื่อนด้วยหลักตามหลักความจริงด้วยเจตนาใหวังเกิดประโยชน์แก่หมู่เพื่อนสมกับผู้ตั้งแต่มาอบรมศึกษากับเราเอาเทศเทศพูดเทศใส่เป็นเม็ดเป็นนวลทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาหลายด้านหลายทาง เกิดขึ้นมาเพราะการเจ็บไข้ไ้ป่วยก็มีแต่พึ่งทราบว่าก็คือทุกขเวทนาประเภทเดียวกันที่เรียกว่าสัจธรรมนั่นเองทุกเกิดขึ้นด้วยการเจ็บที่นั่นปวดที่นี่หรือทุกเกิดขึ้นเพราะการนั่งนาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสัตจธรรมให้ถือทุกนั้นเป็นตุกเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาโยกย้อนถึงใจ เหกายที่ทุกข์เข้าไปาพาดผิงที่ทุกข์อาศัยเกิดขึ้นกับกายส่วนใดร่างกายส่วนใดเห็นปวดแข้งปวดขาปวดอวัยวะต่างๆจุดไหนเป็นจุดที่เด่นกว่าเพื่อนที่สุดบรรดาทุกข์ที่เกิดขึ้นน่ะขึ้นในร่างกายนายั้นให้ถือจุดนั้นเป็นจุดตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยะขยายดู เรื่องของทุกข์ทห้ชัดเจนกำหนดดูทุกข์ไม่มีอาการอย่างใดเลยมีจะ่เรื่องความทุกข์ส่วนร่างกาย ม, มีอาการต่างๆเอาเทียบเคียงกันดูทุกสัตว์ทุกสว่วนแล้วนอกจากนั้นก็ย้อนเข้ามาถึงจิกสามอย่างนี้ละ่ะสาคัญมากแยกแยะดูความจริงไม่ต้องปรารถนาไม่ต้องอยากให้ทุกข์ดับไปความอยากนั้นเป็นปัญหาจะเป็นการเพิ่มทุกข์ขึ้น ให้มากขึ้นและไม่สมบังแทนที่จะเป็นมากคือข้อปฏิบัติกำจัดทุกข์ให้พลากจากใจหรือระงับลงทางร่างกายในกลายเป็นเรื่องทุกข์มีกำลังมากขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจถ้าอยากให้ทุกข์หายเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไม่ต้องอยาก เวลาทุกข์จะเกิดขึ้นมาไม่อยากมันก็เกิดขึ้นได้เราจะพิจารณาทุกข์ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันโดยแยกแยะที่ในที่มันเกี่ยวข้องตรงไหนมันถึงจะแสดงทุกข์ึ้นมาร่างกายของเราส่วนไหนดูให้ดีเจตจะต้องหมุนติวติวคือปัญญาเ น, นี่ยแหละคำว่าจิตหมุนติวติวค้นหาเหตุหาผลทุก ปรากฏขึ้นมากเท่าไรจิตยิ่งจะหนีจากจุดนั้นไม่ได้ต้องหมุนเตี้วๆอยู่ภายในกันจึงเรียกว่ากัมมุตตธรรมพิจารณาสัจธรรมรบกับค่าศึกแยกดูกายที่สำคัญว่าเป็นทุกข์อาการใดแยกดูเวทนานเห็นชัดเจน ม, มันก็สักแต่ว่าทุกข์อยู่เท่านั้นมันมีความหมายสินใดตัวทุกข์เองก็ไม่ทความหมายของตน ร่างกายก็แม้ต่ว่าเป็นทุกข์ก็ไม่ทราบความหมายของตนผู้ใดเป็นผู้ไปให้ความหมายว่ากายเป็นทุกข์ทุกขเวทนาปรากฏตัวอยู่นี่ว่าเป็นทุกขใครเป็นผู้ไปให้ความหมายนี่ถ้าไม่ไปจากสัญญาอารมณ์ของเรานี้จะเป็นอะไรไปนี่มันก็ไม่พ้นที่จะต้องย้อนเข้าไปดูจิตเอาถ้าว่าจิตเป็นทุกขจริงๆดูให้ให้ดี ดูด้วยปัญญาดูด้วยการส อ, ดสองดูด้วยข้อสังเกตในขณะนั้นอย่าดูเผล น, นอย่าดูอยากให้รู้เฉยๆความดูอยากให้รู้ไม่ใช่ดูหาความจริงไม่ต้องอยากให้พ้นหาความจริงให้เจอเท่านั้นเนี่ยนี่เป็นหลัก ก, ากลางๆเป็นมัททิมาแท้ถ้าเอาความอยากเข้าไปตั้งในจิตใจจุดนั้นจะเป็นสมุกไทยมัทมาถึงได้เพราะฉะนั้นทุกจะเกิดขึ้นจน ถ, ถึงกับร่างกายจะแตกอา้อาแตกไป เรื่องความแตกกับความการผสมตัวเข้ามาเป็นก้อนนี่มันเป็นธรรมชาติของมันซึ่งเป็นของคู่กันมันรวมตัวได้มันก็กระจายตัวได้แต่ยังไงก็ตามขอให้รู้ความจริงที่มันอยู่ในระหว่างของจริงทั้งสองทั้งสามที่ผสมกันนี่อย่างชัดเจนด้วยปัญญาจึงดูให้เห็นชัดเจนเรื่องของร่างกายเจ็บปวดที่ตรงไหนดูให้มันเห็นชัดเจนกระทั่งว่า หนังก็สักแต่ว่าหนังชัด ด, ด้วยปัญญาจริงๆเนื้อสักแต่ว่านเนื้อเอ็นกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายสากแต่ว่านั้นๆเท่านั้นไม่เห็นเขานิยมว่าเขาเป็นทุกแม้ทุกจะเป็นเหมือนฝุ่นเหมือนไป เ, <ห>นเขาก็ไม่มีความหมายในเขาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกตัวทุกเองที่กําลังแผละเผา อ, อยู่นั้นมันก็ไม่สรบความหมายของมันด้วยมันก็ไม่ทราบว่ามัน ไ, ได้ทําให้ผู้ใดเป็นทุกข์ด้วยใครเป็นผู้มาให้คำความสํางัญรมา่หมาย กับถึงตรงนี้ย้อนดูจิตให้มันเห็นชัดเจนแล้วจะไม่พ้นกำหนดเข้ามาดูจิตก็ให้เหมือนกันกันกบเราดูกายดูเวทนาดูด้วยความจดจ่อต่อเนื่อง ด, ด้วยสติดูด้วยความอยากรู้ความจริงดูให้เห็นความจริงแล้วจิตก็จะมีตั้งแต่ความรู้รเฉยๆงานรู้ของมาจริงๆความรู้นี้กับเวทนานเป็นอันเดียวกันได้หรือถ้าว่าความรู้กับเวทนากับกายเป็นอันเดียวกัน เวลาทุกวเวทนาดับไปแล้วทําไมจิตมันยังมีอยู่ล่ะนี่ถ้ามันเป็นอันเดียวกันนี่จิตมีอยู่ตั้งแต่วันเกิดทุกขเวทนาหน้านีเพิ่งเกิดมาในขณะนี้เท่นานั้นถ้ามันเป็นอันเดียวกันทําไมมันไม่เกิดมาตั้งแต่โนอนพร้อมกันแล้วมันดับไปได้อย่างไรนั่นไม่ต้องดับเพราะจิตไม่ดับนี่นี่มันไม่ใช่อันเดียวกันนี่เรือะี่อะไรเหมนหมุนกันอยู่นั้นความอยากให้ให้หายอยากเอาเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นอันขาดถ้าไม่อยากเพิ่มความทุกข์ขึ้นมามากและเป็นการสั่งสม ทีเรียนคือสมวมูไทยให้ พ, อพ่อผู้อยู่ในจิตใจเยิ้มหงายใส่ไม่ราชแม้เวลาจะตายก็ก็จะเสียท่าผู้เช่นนั้นผู้ติดตั้งใจดูสัจธรรมนี้แหละเป็นผู้ติดใจสัจะนะหรือทรงตัวรา้ตลอดไปจนกระทั่งเงาวาสานแม้ไม่สิ้นกิเิสในขณะนั้นก็ตากก็เป็นผู้ทรงตัวราชด้วยสติปัญญาสติปัญญาเป็นสําคัญที่จะประคองจิตใจไปเรื่อยได้ด้วยความปลอดภัยยิ่ง จิตมันหลุดพ้นแล้วไม่ต้องพูดละพูดไปอะไรความการฝุดหัดตนเองต้องมีความแจ ก, กรกมีสามารถอยู่เสมออย่าทำจิตให้อ่อนแออย่าเห็นจิงใดในโลกนี้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมหรือยิ่งกว่าความรู้ความเห็นที่เราจะปลดเปลื่องวิเ ด, ดอศอาสรพนผุพพันุปทานจิตใจนี้ให้ ลดน้อยลงไปโดยลดับจนกระทาั่งไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนี่แหละคือสมบัติอันประเสริฐน่าจะจิตที่บุญคุนหรือน้า จ, จิตที่มีคุณธรรมสูงขึ้นเป็นลําดับล้ดับเหมือนกับเรามีสมบัติที่มีค่ามากโดยลําดับล้ำดับนะแล้วยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นยิ่งกระทั่งจนเพียงถึงเมืองพอจิตเอาทําใหถ้ถึงเมืองพอ เราอย่าไปหวั่นไหวกับโลกธรรมใดๆซึ่งเคยเป็นมาตั้งแับตั้งกันแล้วในโลกนี้เต็มไปด้วยความเกิดแก่เจิดตายความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาทุกเพศทุกวยัยทุกกำเนิดของสาตหาความสุขความสบายไาหน้าเราจะมาหาความสุขในโลกนี้หาที่ตรงไหนมันไม่เจอเพราะมันมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ ทางกายก็เป็นทุกข์การยินมเต้นขวัญขวายก็เป็นทุกข์การอยากได้อยากล่ำอยกาก้วยอะไรก็เป็นทุกข์สมมติขึ้นมาอะไรก็ติดตนั้นแม้แต่กระดาษอย่างเขาสมมติวัฒนาบาัตรไปละร้อยละพันนี้แล้วก็ทราบดีชัชดๆดกระดาษมันก็ยังหลงจนมม ต, ตาเป็นฟืนเป็นไฟโรค ก, กันโลคว่าซะจนดูไม่ได้จนกระเทือนโลคโกรธจนกระเทือนโรคมันมันมีความสุเหลือ ความโลคมันก็เป็นไฟอันหนึ่งขนาดที่อยุดเฉยเหมือนเรานั่งเฉยไม่มีโรคภายอะไรขึ้นจะเกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วยังมีผาสุความผาสุกภายในร่างกายลองโรคชนิดใดเกิดขึ้นดูสิกายจะต้องหวัน่นตา่างอันนี้จิตอยุดเฉยไม่มีโรคชนิดหนึ่งเช่นความโลคเป็นต้นเข้ามาหักโหมขึ้นเข้ามาโจมตีเข้ามาทําลายจิตใจก็ปกติ เมื่อสิ่งเห่านี้เข้ามานี่จิตใจต้องเป็นพื้นเป็นไฟอะไรตางเดือดร้อนวุ่นวายเราจะไม่เห็นโทษของมันเลยความโกรธมันก็เป็นเงาตามตัวไปนั่นแหละ ก, กับความโลภเมื่อไม่ได้อย่างใจหวังมันก็โกรธโลกนีอันนี้เป็นหัวใจมีอันนี้เป็นใหญ่พนานจิตใจเมื่อโลกมีอันี้เป็นใหญ่พนานจิตใจแล้วโลกไหนคนไหนรายใดจะมีความสุข เพราะธรรมชาตินี้ก็คือฟืนคือไปอยู่แล้วเมื่ออยู่ที่ตรงไหนต้องแผดเผา ท, ที่ตรงนั้นให้เหี่ยวให้เยียมไปหาความสุขความสบายไม่ได้จนกระทั่งมันตายถ้าอันนี้ยังพอบครองยังหัวใจตายก็หาหลักขาเกณฑ์ไม่ได้เลยตายด้วยความห่วงความใยความหึงความหวงทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยความกังวลวุ่นวายก็แผดเผาไปเรื่อยๆถึงพบหน้าเลยหาสาระที่จะยึดถือในขณะตายไม่ได้เลย เพราะหลงสมมดว่าเป็นสาระคุณแล้วบางที่มันไม่มีสาระคุณส่วนธรรมที่เป็นสาระคุณด้วยความดีงามทั้งหลายที่เป็นสาระคุณอันเป็นสมบัติให้ความชุ่มเย็นให้ความไม่วางใจให้ความต า, ต า, ย, ใตายใจได้ได้อย่างแท้จริงเราไม่สังสมมันจะได้ความไม่วางใจจะของได้อย่างไรได้ความอบได้ที่ไหน เพราะฉะนั้นการสร้างความดีขึ้นภายในตนนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับมนุษย์เราที่เป็นผู้ฉลดะจะเพราะอย่างยิ่งเราเป็นพระเป็นนักปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมัชชิมาปฏิปทาเหมาะสมอยู่เสมอที่จะยกเราให้พ้นจากทุกข์เมื่อเราได้ยึดหลักมัชชิมาเป็นเส้นทางดําเนินหรือเป็นเครื่องเือปราดปรามที่เลือ กิเลสมันจะหนาแน่นมาจากที่ไหนก็เกิดที่หัวใจเท่านั้นขอให้ผิดสติปัญดาขึ้นให้เพียงพอกับกิเลสแล้วมันจะหมอบล้าไปกิเลสตัวใดได้หมอบลงไปหรือลดน้อยลงไปความสุขจะปรากฏขึ้นมานี่แล้วพอเห็นโทษของมันแล้วกิเลสประเภทใดที่ปรากฏตัวอ อ, ออกมาในความรู้สึก เจ้าของจะเริ่มมีความไม่สบายมีความว่างความไหวความผิดปกติขึ้นทันทีทันใดถ้ามันแสดงขึ้นมากก็ ย, ยิ่งแสดงให้ผิดปกติมากระงับมันลงไปด้วยสมาธิด้วยปัญญาสัทธากล่อมเพียรในมากน้อยน้อยเราจะเห็นความสุขความสบายซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างชัดเจนและในขณะเดียวกันก็เห็นโทษ สังทำวุ่นวายสั่งทำเดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลกบีบบางคับหวัวใจนี่ก็เป็นเัื่องมูอเปล่าแล้วทีต่อไปจะว่ามีเวลาว่างมันไม่ร้อนห่าวอะไรเราพูดเสียมาเต็มที่เข้าใจตั้งใจกับพษษษษิสต์ปฏิบัติเรามีงานอันเดียวทั้งนี้ มม่มีงานอันใดพระที่เป็นงานแท้งานเปนสารคุณงานแก้กิเลสถอดถอนกิเลสนี้เนี่ยเป็นงานของเราแท้ถอนเปลี่ยนถอนน้ำคือกิเลสทั้งปวงออกจากจิตใจตาม ส, สติกำลังสติปัญญาของตนมีเป็นความชอบธรรมตามหลักพระพุทธเจ้าราให้คิดย้อนหลังไปถึงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวโลกทา่าน เมื่อจะเกิดความทอแท้อ่อนแอหรืทอทอถอยมาคิดท่านถึงท่านตามที่เราลึกนึกน้อมท่านเป็นสารณะอยู่ตลอดเวลาว่าพุทธังสงังฆฉาี่สังฆังสงังฆฉามิแต่เพียงเราลึกเฉยเฉยเราลึกเอาเป็นคติตัวอย่างเอาเป็นเนติติแบบฉบับสาวกทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นคนเหมือนเราหรืท่านเป็นตบ เทบุเทวดามาตัดใหม่ท่านเป็นคนมุ่งมั่นบางท่านบางองค์ก็มาจากตระกูลละเอียดอ่อนมากทีเดียวเห็นตระกูลกษัตริย์หาความทุกขามลําะบะในส่วนร่างกายน้อยสมบัติน้ำทองเต็มไปหมดท่านชราออกมาเห็นของเหล่านั้นเป็นของเศษของเด่นไปเลยบางท่านบางองค์ออกมาจากเทนาโบดี กลุมพีพ่อค้าเศรษฐีท่างทั้งที่ท่านเหล่า น, นั้นเป็นผู้มังคังสมบูรณ์ทั้งยศฐานานาศฐานะความมั่งมิท่านทำไมท่านพิชะละสิ่งเหล่านั้นออนมาปฏิบัติธรรมจนเห็นธรรมแล้วปรากฏเลื่อขึ้นมาในขณะเดียวกันท่านก็ทราบถึงนั้นหบบมันเป็นเศษเป็นเินเท่านั้น ไม่เป็นของชาติสําคัญยิ่งกว่าธรรมยนเน้บรรลุธรรมขึ้นมาองคไหนอยู่ในสกุลนายก็ตามเมื่อได้ออกมาบวชในพุทธศาสนาแล้วทนตั้งหน้าตั้งตาประพฤติธปฏิบัติความมีความภาคเกียรแม้ตั้งแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านกส็สละความเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกจากธิริยาไม่ยากและความรู้สึกภายในจิตใจถือว่าตนเป็นกษัตริย์ จนหมดไม่มีอะไรเหลือมีตั้งแต่เพศนักบวชที่ประกอบความผกเพียนเหมือนกับพระทั้งหลายท่านปรับตัวของท่านลงได้ขนาดนั้นีท่านจึงสามารถเป็นเจ้าปราบขึ้นมาให้น้อทั้งหลายได้กราบไหว้บูชายึดหลักท่านเป็นอย่างนั้นในครั้งพุตรการมีแต่งานอย่างนี้นะงานเดินจํากรมงานนั่งสมาธิงานภาวนามีงานของพระ พูดกันไม่ได้พูดเรื่องอื่นเรื่องใดการบ้านการเมืองการซื้อการขายการร่ํารวยเรื่องหญิงเรื่องชายนั่นไม่เอามาเกี่ยวข้องเพราะเป็นเรื่องของโลกด อ, อกมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วพ่าความหงุดหงิว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไผ่จึงได้ปลีกตัวออกมาแล้วจึงไม่นําสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นเครื่องก่อควนมติดใจอีกนอกจากเมื่อสลัดสิ่งเหล่านั้น เข้ามาสู่พระศาสนานี้ยึดธรรมเป็นหลักหน้าที่การงานที่เคยทำมาแบบโลกโลกนั้นสลักปัดทิ้งหมดมีตั้งแต่งานของของพระงานของธรรมเรียกว่าสมณธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเยินโดยถ่ายเดียวผงไหนที่ไห น, น, นก่อนประพฤตฏิบัติตนโดยอัดด้วยธรรมยืนปรากฏผลขึ้นมา อยู่เสมอไม่ขาดว่าขาดต่อองค์ น, นั้นสําเร็จมรคนิพพานอยู่ที่นั่นเห็นในเขาลูกนั้นในป่านั้นในถ้านั้นในเนื้อผานั้นเนี่ยสําเร็จอยู่เรื่อย ๆ, ๆ, ๆเพราะท่านทำอยู่มาอยู่ผลจะไม่ปรากฏขึ้นได้ไเวลาสนทนากันก็มีสันเลขาธรรมเป็นเครื่องสนทสันเลท่านเรียกว่าสันเลขกักรถา แปลว่าการกล่าวหรือสนทนากันเพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความถอดถอนสันเลคาขัเกลาถอดถอนกิเลสเรียว่าสันเลขาธรรมหรือสันเลขคาถาถ้ามีแต่ธรรมก็เรียกสันเลขาถาถ้ามีการกล่าวด้วยเรียกว่าสันเลขค า, า, า, ววาขะะถาแล้วการกล่าวถึง ทำเครื่องทำรักพิเด็จทั้งหลายมีอะไรท่านกล่าวในข้างพุธกาลมีหลักกของการกล่าวของสมณะมีเข็ดมีแดนในข้อที่หนึง่งมันพากันฟังให้ดีเราเคยพูดมากี่ครั้งกี่หนแล้วแต่ว่าพระเอามากันอยู่เรื่อยๆพูดที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็อาจม่อปิ ช, ชาตาเป็นผู้มีความมากน้อยน่นะ ไม่ได้สอนให้มากๆในวัตถุต่างๆลาบสักการะบูชามีอะไรมากอย่างไรก็ตามเอาแต่เยียงน้อยเท่านั้นนี้เป็นอันนี้เป็นเยี่ยมสันตุถีคือความสันโดษมีลดกันลงมาตามมีตามได้ใช้สอนบริโภคการ ม, มีการเกิดไม่วุ่นวายไม่รบกวนประชาชนญาติโยมผู้ใดทั้งสิ่ง บริโภกใช้สอยตามสิ่งที่มีที่เกิดขึ้นด้วยความชอบธรรมเท่านั้นนี่ลดดอดลงมาจากอปิจตตาความพูดเด็ดเดี่ยวเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยวิเวะกะตาข้อที่สามชอบสังกด์สังกษ์ทั้งสถานที่อยู่สังัดทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่อง สงัดทั้งใจคือสมกับคําว่าสมณธรรมบําเพ็ญตนเพื่อความสงบสงัดจิตภายในจิตใจใจไม่สงบใจไม่สงัดหาความสุขไม่ได้เพราะยิงต้องพยายามตะล่ำกระแสจิตลงด้วยความทักเทิมมีความสงบตัวได้ก็เป็นความสงบได้และมีความสุขนราถนอมวิเวกตาวิริยาลัมวิริยารัมพา ประกอบความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอในอียบบทต่างๆแม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนมนนีความเพียรมีสติเป็นหลักประจำในอียบบทต่างๆเรียกว่าเป็นความเพียรในทุกียบบทได้มีคำวิทยารำพารารวบความเพียรหรือประกอบความเพียรอสังขคณิกาไม่คุกรี่ กับเพื่อนกับปูงซึ่งเป็นเทศเดียวกันตลอดถึงประชาชนศรัทธาไทรก็ต่างสังสักดีกาไม่พูดคีอตีมงกันนี่ก็สีนยามน้ำมัดระวังสีนของผมยาให้บางพร้อย ลุขาดไปได้รักศีลเหมือนกับรักจิตใจของตนเองศีลกับธรรมก็อันเดียวกันธรรมประเภทอยากท่านเรียกว่าศีลเพราะจะต้องบังคับกันทางกายทางวาจามีใจเป็นผู้รับผิดชอบสมาธินี่กลาวถึงความสงบสงัดของจิตใจ มีหลักสันติภักดานกลาวว่าเป็นนํานึ่งอ่อนน้อมกับปัญญาสนทนากันกล่าวกันถึงเรื่องปัญญาใครมีความมีอุบายแยบคาประการใดบ้างเล่าสู่กันฟัสงสนทนาซึ่งกันนะกันไม่ว่าสมาธิประเภทใดก็สนทนาซึ่งกันกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งต่างคนต่างได้อุบายจากกันแต่สนทนาก็เลยสมาธิ สมาธิของผู้ใดเป็นมีอากกติยาอย่างไรบ้างเพราะอุบายกันจิตที่จะฝึกฝนตนให้รับความสงบนี้มีต่างๆกันโดยอุบายตามประดิษฐ์สัยของผู้ที่ชอบแล้วสมาธิมีอาการอย่างไรบ้างก็สนทนากันปัญญามีความฉลาดแหลมคมขนาดไหนลึกตื้นอย่างละเอียดกว้างแค่ขนาดไหนของแต่ละนาราลายนํามาสนทนากันเพื่อเป็นคติ เือนใจหรืเป็นเครื่องประดับความรู้ต่อแก่กันและกันจากนั้นก็พูดถึงเรื่องวิ ม, มุตความหุดพ้นอันเป็นสิ่ที่มีความขยิบยิ่งย่องมากเป็นยอดของความปรารถนาซึ่งเนื่องมาจากเบื้องต้นตั้งแต่อปิเทาตาจนกรทั่งถึงปัญญาแล้วก็วิ ม, มุตติวิ ม, มุตติยานะัศนะากาถึงเรื่งความรู้แจ้งเป็นความหุดพ้นของตน นี่เรียกว่าสันเลขะธรรมสิบกะกาที่นักบวชทั้งหลายในข้างพุทธการท่รทนนากนกล่าท่านสนทนากันท่านสนทนาเป็นอัปเป็นธรรมเป็นการเลนะธรรมะสากัะฉาคือเป็นการเปินสมัยแล้วก็เอตมังขมามุตมังเป็นอุรมณ์มงคล แต่คู่สนทนาทั้งสองฝ่ายนีกับท่านเลยค่ะท่านท่านสนทนากันแต่ข้างบุญการไม่มีการเมื่อบ้านการเมืองการไล้การเสียยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกสงสารเหมือนกับนักบวชเราทุกวันนี้ซึ่งในปากไม่มีอะไรในหัวใจไม่มีอะไรีตั้งแต่โลกล่วงล้นระบามาฟังไม่ได้แล้วมันจะเข้ากันได้ไนม กับข้างพุทธกาลเมื่อเป็นเะนั้นมันก็มีแต่ชื่อชื่อนักบวชทรงศีลก็มาสาดศินไปได้แค่ไหนเป็นไปเองเลยเพราะคําพูดก็มาในสังรวมนี้ศีลจะไปแค่ไหนมันจะไม่มั น, ไ ม, มนไม่กลายเป็นศูนย์ไปตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ะศีลกับศูนย์มันใกล้ๆ ก, ก, กันนะจะเอาสมาธิมาจากไหนเมื่อไม่ แม้แต่ความปรารคถึงสมาธิก็ไม่เคยปลารคเราอย่าอย่าพูดเลยว่าได้บงเพิญสมาธิด้วยกิตตภาวนาล้วจะเห็นผลที่ไหนหายุ่งเหยิงวุ่นวาแต่สิ่งที่ไม่เข้าท่าเข้าทางทางที่ท่านให้เดินไม่ยอมเดินงานที่ท่านให้ทำไม่ยอมทำทำแต่ ง, งานที่เป็นฆาตกรที่เป็นการฝืนทำ อันเป็นค่าสิทต่อธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยประจำเอียบุตรจะปรากฏคุณ ง, งามความดีอันเป็นสาระสําคัญให้เป็นที่ภาคภูมิใจแก่ตนได้อย่างไรเมื่อการปฏิบัติมันเผยหรือมันเหยียบย่าทําลายธรรมอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีผลอะไรภูมิใจกับความเป็นนักบวชความเป็นพระเของตนเท่านั้นมีประโยชน์อะไรภูมิกับความว่าเราพระมีศีลเท่านั้น เป็นประโยชน์อะไรถ้าไม่ภูมิในคุณสมบัติที่เราประกอบทําขึ้นจนิดปรากฏเป็นผลที่พึงใจขึ้นมาเป็นลําดับ ๆ, ๆเรียกว่าอาตตาสมบัติจะเป็นสมาธิสมบัติก็ตามปัญญาสมบัติก็ตามจนกระทั่งถึงนี้มุดจิสมบัตินี่เป็นคุณสมบัติที่เป็นที่ภาคภูมิใจซึ่งเกิดขึ้นมาจากการประกอบความภาคเพียนทั้งหลายแต่นู้นละอภิชตานั่นเป็นเครื่องชำระความ มากเป็นค่าสึกกันกับมหิสตะมหิสตะหมายถึงความม า, มากมากเรื่อยมาเป็นยํำหนักท่านสอนว่าอย่างนี้วิธีการแก้กิเลสเพราะกิเลสมันมันชอบขัดกันมันชอบแย้งกันกันกบธรรมเช่นอย่างสิบทมกิประการนี้ทำท่านสอนอภิชิตตา พิเลศมันบอกให้ได้มากๆตายเราเอาสมบัตินั้นมาเผาเจ้าของมันยิ่งชอบมีกองเงินกองทองสมบัติอะไรก็มาเผากัน้ไม่ต้องไปหาพผลพิเลศมันชอบเนี่ยมันขัดกันอย่างนี้ครับพิเลศพิเลศต้องขัดกับธรรมเสมอแยง้งธรรมเสมอต่อขุดทู่ธรรมเสมอถ้าจิตเราอยากเราชอบในสิ่งใดพึงทราบเถิดว่าจิตนั้น เป็นไปกับกิเลสแล้วถูกิเลสจูงจงมูกไปแล้วแล้วมันจะเอาขึ้นเฉียงจับยำเท่านั้นเองนอกจา ก, กจิตได้กล้าเข้าสู่ภูมิอัดภูมิทำพอเป็นที่ไว้ใจได้แล้วดำเนินตามเรื่องของตน ร, รู้เหตุรู้ผลรู้อักรู้ทำรู้ ด, ดีรู้ชั่วภายในจิตทั้งตนอยู่โดยเฉพาะเฉพา ะ, ะนั้นเป็นอีกแง่นึงจิตถึงขั้นนั้นแล้วต้องต้องเป็นความอยากในธรรมความอยากในธรรมเป็นมรรไม่ได้เป็นกิเลสเหมือนความอยาก แบบโ ล, โลกทั้งหลายอยากกัดเห็นท่านไหมวิเวกตาท่านสอนว่าให้ชอบวิเวกแต่กิเลสมันชอบเปลี่ยนกลวนวุ่นวายสถามที่ใดคนหนาแน่นเป็นที่ชุมนุมเป็นที่เอ่ยกคลเด่ดเทหาแล้วกิเลสมันชอบให้ไปที่ไ่นแหน่เห็นมันขัดกันอย่างนี้จะวิเวกตาได้ไง วิเวกตาเป็นเรื่องของธรรม เ, เรื่องความชอบความเกลียดกล่นวุ่นวายนั่นเป็นเรื่องของจิตวิทยาลำพากพระกอบความเพียรเรื่องของเกลมันมากกุชิตังป ร, มรงะมาจลีหยางเพราะอันนั้นกุกุชิตังฮินวิลีหยังนะมันขัดกันผู้กุชิตังฮินวิลียังแปลว่าอะไรแล้ว่าผู้มีความเพียรอันไหลเร็ว นะฟังสิคือความเพียนปในทางที่เล็วนั่นแหะความเพียนของกิเลสมันเพียนให้เร็วไม่จะเพียนให้ดีมันผิดกันกันกบวิริยาลำมานัดกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเรื่องยมุตขัดกันอยู่เสมอเหมืงองกิเลสให้พึงสร้างมาเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องต่อสู้กับธรรม ขัดกับธรรมแย้งกับธรรมเสมอร่ายพึงสังเกตในความรู้สึกของตนแม้มันมันจะแสดงขึ้นมาอย่างไรจะชอบมันก็าตามให้พึงใช้สติปัญญาพิจารณาถึงความชอบของตนเองนั้นเป็นธรรมหรือไม่ถ้าไม่เป็นธรรมแล้วแต่ก็ต้องทราบชัดในขณะเดียวกันวามันเป็นกิเลสแล้วให้ฝืนทันทีสลัดทันทีบทั้งที่ยากบาทั้งที่เสียดายเพราะความอยากเป็นเรื่องของกิเลสความเสีดายเป็นเรื่องของกิเลส ความสลัดออกจากสิ่งที่เสียดายสิ่งที่อยากนั้นเป็นเรื่องของธรรมเราจะดําเนินตามพระพุทธเจ้าเราต้องสลัดฝืนต้องฝืนใจไม่ฝืนได้หรือไม่ฝืนไม่เรียกว่าต่อสู้กันต้องเป็นฝืนถ้าเราคล้อยไปอย่า ง, างนี้ไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติไม่เรียกผู้ฝืนกิเลสผู้ ป, าปราบรามกิเลสผู้ต่อสู้กิเลสผู้จะหวังเอาชัยชนะกิเลสต้องเป็นผู้แพ้เสมอไปไม่เข้ากำลักธรรมที่ว่าต่อสู้ ต้องให้ทราบตัวเสมอเราได้ยินแต่ข้าวท่านท่านงนั้นสําเร็จโฉดาท่านนี้สําเร็จตะกีตาคาท่านตนั้นสำเร็จอนาคาท่านนี้สำเร็จอรหันอรหันรหัสอยู่ในที่ น, นั่นที่ น, นั่นที่ น, นั่นที่ น, นั่น นี่เป็นผลของท่านที่สำเร็จขึ้นมาขาวแหงความเปลี่ยนนองท่านเป็นอย่างไางความเปียนซึ่งเป็นตัวเหตุกับข่าวข่าวความเปียนที่เป็นตัวเหตุกับข่า ว, า ว, ว, า ว, าวนะผลที่ท่านได้รับมันก็กลมเกิือนกันไปท่านถึงได้รับแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมองดูทั้งเหตุมองดูทั้งผลต้องการผลแล้วต้องมองเหตุให้ดี เราดูผ ล, ลไม้ต้นนี้หรือไม้ต้นนี้มันมันชอบปุ๋ยอะไรอะไรเป็นอาหารของมันที่เหมาะสมกับมันอันี้แสดงผลออกมาให้เป็นที่พึงใจเจ้าของเราต้องคิดอย่างนั้นเรามามองดูตั้งแต่ผลอย่างเดียวโดวยละคํานึงถึงเหตุที่จะทําให้ผลมันต้องบุญพูนสุกพูนผลมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องมองดูทั้งเหตุ ปุ๋ยของมันมันชอบอะไรและรักษาให้ดีจะให้เป็นอันตรายต่อมีจากคุณใดนะมีใจของเราที่จะต้องพึ่งเราจะต้องการผลจากใจอยู่แล้วมีอะไรเป็นค่าสื่ของใจพยายามกำจัดตัวแมงสำคัญมันกัดที่เรื่อยราคาปกัดโทรศัพทปกั ด, โ, กดโมหะปกัดความที่เกียดอ่อนแอมันกัดความท้อถอยมันกัด มันมีอำนาจวัฒนาน้อยมันกัดมันมผลยุพาหมดเขตหมดสมัยแล้วมันกัดมีแต่เรื่องกัดเท่านั้นตัวแมงอย่านี้นี่แมงกิเลตมันเป็นอย่างนี้ท่อแท้อ่อนแอกัดตัวเดินยังกลมนั่งสมาธิทนนาเหมือนจะเอาเข้าแตะงแกงเอาไปฆ่าไปประหารชีวิตมันกัดอยู่เรื่อยๆลงในหมอนแล้วไม่รู้จักเ่ิดัมันกัด เราทราบว่าตัวแมวมาอยู่ยงั้นหลนักพัญหาในจิตใจมันแทรกมันสิงมันกระลิบกระชา ม, มันซึบมันซึมอยู่นั้นตลอดเวลาเพราะมันดูกับกิจมีเราพยายามกำจัดมันออกโดยวิธีการต่างๆเราจะได้เห็นทำดวงลำเลือดภายในใจิตาจเพราะความภาเพียรของเราความต่อสู้ของเราเบื้องต้นก็ต้องยากลำบากยากก็ยอมรับกันไม่ยอมถอด ยอมรับว่ายากมาทุกๆุกหน้าที่การงานต้องมีลําบากเหมือนกันเพราะคําว่าทําแล้วดีุดเฉยไม่ได้ต้องมีความเคลื่อนไหวการประกอบความภาเกเทียนก็มีความเคลื่อนไหวทั้งเป็นความลําบากเอาให้เจอผลเป็นที่พอใจเอสเป็นสิ่งที่ฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พริสตจ้าให้สอนทิดไม่เคยได้เคยอาจเคยทาแล้วมันก็เหมือนกับยากกับขีตัวหนึ่งมันจะมี อาจมีทามีเหตุมีผลมาจากไหนนอกจากให้ได้สมใจตัวเองเท่านั้นนี่คือเรื่องของกิเลสรุ่นรุ่นภาจิตใจไม่มีธรรมเขาแทรกเลยเป็นอย่างนี้ผลที่แสดงมาจึงหาความสุขไม่ได้สำหรับตัวเองและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเขากระทบกระเทือนไปหมดเพราะหน้าของกิเลสของแต่ละคนละคนมันค่าเท่ากันเพราะมนุษย์เหล่านี้มันเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกมันอยู่ด้วยลำพังตนเองไม่น่ามันต้องกระทบกระเทือนกันพรอบ น, นาศ ความเป็นแห่งความเป็นภัยพันธุจิจายระบายออกต่อกันลวกั น, น, นเมื่อฝึกหัดดูโดยสม่ำเสมอไม่รุดละชิงพยศทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องลดลงไปได้ด้วยลำหนักเพราะอำนาจของคาทภาเพียนของเราณเด็กหยดไม่เคยสงบได้ก็สงบเพราะรักษานี่นะ มันจะไปไหนสงบได้เ ย, ย็นใจได้สมาได้ทพ ะ, เ พ, ะเพราะการรักษาการบำรุงด้วยความเพียรการพยายามรักษาวิถีจิตที่มันคิดในแง่ต่างๆมันเป็นไถ่ไม่อยอมให้คิดถ้าจะคิดให้คิดแง่ทำในธรรมแง่ เ, เดียวบังคับมันมอย่างนี้วิเดียรมันก็ค่อยจางไปจางไปใจ ก, ก็ได้รับผางสงบหายใจสงบแล้วก็เห็นคุณค่าพยายามเร่ง คุณค่าม่มีเพียงความสงบเท่านั้นความสงบมากกว่านั้นคือขึ้นเป็นคุณค่ามากกว่านั้นอย่างหม่